โลกุตระวิปากจิตสุทิกะปฏิปทาสภาวะธรรมที่เป็นอพยากลิปเป็นชนัโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระ ซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุ์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกรามบรรลุปฐมฌานเป็นทุกข์าปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกรามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญะ เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลคุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะละถึงอัญญีสีละถึ ง, อ, ถงอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยกริตสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤตเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลคุตระ ซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุก์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นอนิมิตะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญา ซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอัญญีสีอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยากฤิตสภาวะธรรมที่เป็นอพยากฤิตเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกใหถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังฆ จ, จากกรรมบรรลุปฐมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภูษลโยคาวจรบุคคลสังฆ จ, จากกรรมบรรลุปฐมฌานที่เป็นอปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิปาก เพราะได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอันยินสีอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิตสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นชนัยโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้น ราวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุท ต, ติยชาบนบรรลุตติยชาญบรรลุจตุทชาญบรรลุปฐมชาญ บ, บรรลุปัญจมาชาญที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอนิมิ ต, ตะ เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอัปนิฮิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยากฤตสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตเป็นไง โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกรามบรรลุปถมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาบรรลุทุติยฌาบนบรรลุตติยฌาบนบรรลุจตุทฌาบนบรรลุปถมฌาน บรรลุปัญจมชฌ ان เป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอนิมิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นสุขาปฏิปทาขิปาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศล ที่เป็นอปินิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิ ป, ปาภิญญาชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤิตสุทิกะปฏิปทาจบสุทิกะสุญญตะสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระ ซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญตัอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญะตัซึ่งเป็นวิบาก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 บรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญตะอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นขุศลโยคาวจรบุคคลสงังฆกรามบรรลุปฐมฌานที่เป็นอนิมิตะซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุสนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยกฤษตสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤษตเป็นไนะโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถุทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญะอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล โยคาวจรบุคคลสังกัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นอปนัญิคิตะซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤตสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระ ซึ่งเป็นเหตุนําออกจากวัฏทุก์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรุภูมิเบื้องต้นเพราะวิสกวิจารณ์สงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยชานบรรลุตติยชานบรรลุจตุทัชานบรรลุปถมชาญบรรลุปัญจมชฌานที่เป็นสุญญาตชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นสุญญาตชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นสุญญาตชื่อว่าเป็นกุศล ที่เป็นอนิมิตะชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นสุญิตะชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอปินิหิตะชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยกฤษตสุทิกะสุญญตะจบสุญิตะปฏิปทาสภาวธรรมที่เป็นอภยกฤตเป็นไนะ โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญาตเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม บรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญชตะซึ่งเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ธรรมได้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระกุศลนั่นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยกริตสภาวะธรรมที่เป็นอภยกฤตเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระ ซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากการบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากการบรรลุปฐมฌานที่เป็นอนิมิตะ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 เพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญตาเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภระจะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากรามบรรลุปฐมฌานที่เป็นอปนิหิตะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบาก เพราะได้ธทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยกริตสภาวธรรมที่เป็นอภยกริตเป็นไนะโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนาออกจากวัฏทุกใหถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นบรรลุทุติยฌาน เราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปแล้วบรรลุตติยฌานบรรลุจตุทฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุปัญจมฌานที่เป็นสุญญาตเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศล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 สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นไนโยคลาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาที่เป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปาภิญญาที่เป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา บรรลุท <script> ุติยฌานบรรลุตัตยฌานบรรลุจตุทฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุปัญจฌานที่เป็นสุญญาะเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นสุญญาะเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากที soothing, ่เป็นสุญญาะเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอนิมิตะ เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นขุสลที่เป็นอปนิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยากฤต สุเตปฏิปทาจกสุธิกาอปินิหิตะสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิปเป็นไฉนยโยคาวจรบุคคลเจริญฌานได้เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน เพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นอภปนิหิตะอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพระสะละถึงอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกรามบรรลุปฐมฌานที่เป็นอปินิหิตะซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นภาษะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยากฤตสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นอภินิหิตะอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น ภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงังจากกลามบรรลุปัถมฌานที่เป็นอนิมิตะซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญชาญที่เป็นโล ก, กุตระกุศลนั่ น, น, นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยกฤตสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤตเป็นไน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 ซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลคุตระกุศลนั่นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยากฤตสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกขให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้น เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุธุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุเจตุทัชฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุปัญจมฌานที่เป็นอปินิหิตะชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอปินิหิตะชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นอปินิหิตะชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอนิมิตะชื่อว่าเป็นวิบาที่เป็นอปินิหิตะชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นสุญญา ชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยกริตสุทึกะอปินิหิตะจบอปินิหิตะปฏิปทาสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤิตเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนาออกจากวัฏทุกใหถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากรกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นอปปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากรกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นอัปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบาก เพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระปุษล์นั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยากฤตสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นฉนัยโยกาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังากราม บรรลุปธมิชานที่เป็นอปินิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นขุศลโยขวจรบุคคลสงัดจากกรรมบรรลุปธมิมชานที่เป็นอนิมิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระขุสลนั้นนั่นแหละ อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยกฤิตสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤิตเป็นชนยโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถุให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงังจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นอปนิหิตะ เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบรรลุ ป, ปถมฌานเป็นสุญญาะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น ภาษะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยากฤษตสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤษตเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นเพราะวิตกวิจารส์สงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุตัิยฌานบรรลุจตุทชฌาน บรรลุปทมมชานบรรลุปัญจมชานที่เป็นอภินิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอภินิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นอปินิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอนิมิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญา ชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นอเปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นขุศลที่เป็นสุญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภระจะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิตสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไน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 บรรลุตติยฌานบรรลุจตุทัชฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุปัญจมฌานที่เป็นอภปนิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอปินิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นอปินิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นอนิมิตะ เป็นสุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากที่เป็นอปินิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลที่เป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤิต Esta, พัปปนิหิตปฏิปทาจบมหาในยี่สิบสภาวธรรมที่เป็นอพยากลิปเป็นชนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคที่เป็นโลกุตระและถึงเจริญสติปฐานที่เป็นโลกุตระเจริญสัมมาปทานที่เป็นโลกุต ร, ร, ระเรรจริญอิทธิบา ท, ที่เป็นโลกุตระเจริญอินทรีที่เป็นโลกุตระเจริญภะละที่เป็นโลกุตระ เจริญพ่อชงที่เป็นโลกุตระเจริญสัจเจที่เป็นโลกุตระเจริญสมถะที่เป็นโลกุตระเจริญวิปัสนาที่เป็นโลกุตระเจริญขันธ์ที่เป็นโลกุตระเจริญอายตนะที่เป็นโลกุตระเจริญท่าที่เป็นโลกุตระเจริญอาหารที่เป็นโลกุตระเจริญภาษะที่เป็นโลกุตระเจริญเวทนาที่เป็นโลกุตระเจริญสัญญาที่เป็นโลกุตระ เจริญเจตนาที่เป็นโลกุตระเจริญจิตที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุคุให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม บรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญตะเป็นอนิมิตตเป็นอัปนิหิตตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปาก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤตมหานายัยยี่สิบจก ิปไตยสุธิกาปฏิปทาสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิเป็นฉไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปถมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นฉันทาทิปไตยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะ และถึงอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบรรลุปถมฌานเป็นฉันทาทิปไตยเป็นสุญญาตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นสุญญาตซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ธทมได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั่นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤิตสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไนโยคะวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังอาจจากกรรมบรรลุปถมฌานเป็นฉันทาธิปไตยอยู่เป็นทุกขะปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น ภาษะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นฉันทาทิปไตยเป็นอนิมิตตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั่นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอวิเขปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤตสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไนโยคะวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลคุตระซึ่งเป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นฉันทาธิปไตยเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น ภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสั ง, งักจากกรมบรรลุ ป, ปถมชาญเป็นฉันทาทิปไตยเป็นอปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั่นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเขปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยากฤิตสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิตเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นเพราะวิตกวิชารสงบระ ง, งับไปแล้วจึงบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจัตุทัชฌานบรรลุปถมฌาน บรรลุปัญจมชฌ ان เป็นฉันทาธิปไตยเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอนิมิตตะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาชื่อว่าเป็นวิบาก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 โยคะวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกรามบรรลุปฐมฌานเป็นฉันทาธิปไตยเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุขาปฏิปทาขิปาพิญญาบรรลุทุติยฌาน บรรลุตติยฌาบนบรรลุจตุธฌานบรรลุปฐมฌาบนบรรลุปัญจมฌานเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาชื่อว่าเป็นขุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาชื่อว่าเป็นขุศล เป็นฉันทาธิปไตยเป็นอนิมิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นขุสลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอัปนิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเขปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยก ฤ, ฤิตฉันทาทิปไตยสุทิกะปฏิปทาจบฉันทาทิปไตยสุทิกะสุญญตะสภาวะธรรมที่เป็นอัพยก ฤ, ฤ, ฤิตเป็นฉไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลคุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ใหถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงดจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นฉันทาธิปไตย เป็นสุญญะอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงังจาักกามบรรลุปฐมฌานเป็นชันทาทิปไตยเป็นสุญญะซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลคุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยกฤตสภาวะธรรมที่เป็นอภยกฤตเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังัดจจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นฉันทาทิปไตเป็นสุ ญ, ญตะอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอวิเชปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอนิมิตะซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นฉไหน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 บรรลุปฐมฌานเป็นฉันทาทิปไตยเป็นอัปนิหิตะซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั่นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยกฤตสภาวธรรมที่เป็นอภยกฤตเป็นชนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลคุตระ ซึงเป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นเพราะวิตกวิจารสงบรังับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจัตุทัชาญบรรลุปถมชาญบรรลุปัญจมชาญเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญติชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญติชื่อว่าเป็นวิบาก เป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอนิมิตะชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอปนิหิตติชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิต สันทาทิปไตยสุธิกะสุญญาตะจบวิบากแห่งมรรจิตดวงที่หนึ่งสภาวะธรรมที่เป็นอพยากฤตเป็นไฉนะโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระ ซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุ์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากการบรรลุปฐมฌานเป็นฉันทาทิปไตเป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาสละถึงอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกาม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 เพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นเพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปแล้วบรบรลุทุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจัตุทชานบรรลุปโมชาญบรรลุปัญจมชาญเป็นสุญญาตเป็นทุก ข, ขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นฉันทาธิปไตายอยู่ชื่อว่าเป็นกุศลเป็นสุญญาตเป็นทุก ข, ขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นฉันทาธิปไตายอยู่ชื่อว่าเป็นวิบาก เป็นสุญญะตเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นฉันทาธิปไตยชื่อว่าเป็นกุศลเป็นอนิมิตะเป็นทุข é, ทนทนนกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นฉันทาธิปไตยชื่อว่าเป็นว oh ิบากเป็นสุญญะตเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นฉันทาธิปไตยชื่อว่าเป็นกุศลเป็นอปนิหิตะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญา เป็นชันธาธิปไตยชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยกริตสภาวธรรมที่เป็นอพยกริตเป็นฉนยะโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ใหถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสัดจากราม บรรลุปถมชาญเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาบรรลุทุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจตุทชานบรรลุปถมชาญบรรลุปัญจมาชาญเป็นฉันทาธิปไตย เป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาคิปาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาทิปไตเป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาทิปไตเป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาคิปาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาทิปไตเป็นอนิมิตะเป็นสุขาปฏิปทาคิปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบาก เป็นฉันทาธิปไตยเป็นสุญญตะเป็นสุขขาปฏิปทาขิปาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอภปนิหิตะเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาภิญญาชื่อว่าเป็นบิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยากฤิตสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตเป็นชน โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงังจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นฉันทาทิปไตเป็นอัปนิหิตะอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงังจากกร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 เพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังัดจา ก, กรามบรรลุปฐมฌานเป็นฉันทาทิปไตยเป็นอัปนิหิตะอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคะวจรบุคคลสังหัดจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นฉันทาทิปไตเป็นอนิมิตะซึ่งเป็นวิปาก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 ภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยากฤตสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตเป็นไฉโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุขให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นเพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไปแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุถัฌานบรรลุปฐมฌาน บรรลุปัญจมชฌานเป็นฉันทาทิปไตยเป็นอปนิหิตะชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาทิปไตยเป็นอปนิหิตะชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาทิปไตยเป็นอปนิหิตะชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาทิปไตยเป็นอนิมิตะชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาทิปไตยเป็นอปนิหิตะชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตเป็นสุญญา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 เป็นอปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอาวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคะวจรบุคคลสงัดจากกามบรรลุปถมฌานเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระกุศลนั้นนั่นแหละ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 บรรลุปฐมฌานบรรลุปัญจมฌานเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอภปนิหิตะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาปิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอภปนิหิตะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาปิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอภปนิหิตะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาปิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตย เป็นอนิมิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตเป็นอัปนิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตเป็นสุญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเขปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤิตสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตเป็นชไหนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนาออกจากวัฏทุกให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปถมฌานเป็นฉันทาทิปไตยเป็นอัินิหิตะเป็นทุกขาปฏิปทาขิปาพิญญาเป็นฉันทาธิปไตเป็นอภนิหิตะ เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอปินิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุทัชฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุปัญมฌานเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอปินิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตยเป็นอภปนิหิตะ เป็นสุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตเป็นอปินิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นกุศลเป็นฉันทาธิปไตเป็นอนิมิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากเป็นฉันทาธิปไตเป็นอภปนิหิตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปาภิญญาชื่อว่าเป็นกุศล เป็นชันทาทิปไตยเป็นสุญญตะเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาชื่อว่าเป็นวิบากอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤิตสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตเป็นไงโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคที่เป็นโลกุตระและถึงเจริญสติปัฏฐานที่เป็นโลกุตระ เจริญสมมาประธานที่เป็นโลกุตระเจริญอิธิบาทที่เป็นโลกุตระเจริญอินทรีที่เป็นโลกุตระเจริญภะละที่เป็นโลกุตระเจริญพ่อชงที่เป็นโลกุตระเจริญสัจจะที่เป็นโลกุตระเจริญสมถะที่เป็นโลกุตระเจริญวิปัสนาที่เป็นโลกุตระเจริญขันธ์ที่เป็นโลกุตระเจริญอายตนะที่เป็นโลกุตระเจริญท่าที่เป็นโลกุตระ จเจริญอาหารที่เป็นโลกุตระเจริญภาษะที่เป็นโลกุตระเจริญเวทนาที่เป็นโลกุตระเจริญสัญญาที่เป็นโลกุตระเจริญเจตนาที่เป็นโลกุตระเจริญจิต ท, ที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุ์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงดจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นฉันทาธิปไตย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 เป็นวิมังสาธิปไตยซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยญากฤิวิบากแห่งมัคคิตดวงที่หนึ่งจบวิบากแห่งมัคคิตดวงที่สองเป็นต้นสภาวะธรรมที่เป็นอภยญากฤตเป็นชนไหน โยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุขใหถึงนิพพานเพื่อทำการมราคะและพยาบาทให้เบาบางเพื่อบนลุภูมิที่สองละถึงเพื่อละการมราคะและพยาบาทโดยสิ้นเชิงเพื่อบนลุภูมิที่สามเพื่อละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาโดยสิ้นเชิงเพื่อบนลุภูมิที่สสังัาจจากกาม บรรลุปฐมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอันยินีอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงังฆจากกามบรรลุปฐมฌานซึ่งเป็นสุญญาตอันเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นภาษอัญญาตาวินสีอวิเคปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยากฤิทธ์ภาษาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความกระทบยุริยาที่กระทบยุริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าภาษาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ัญญาตาวินศีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไ น, นปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความส้นคิดการคร่ครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทาลายกิเลสปัญญาเครื่องนาทาง ความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนประตักปัญญาปัญญิีสีปัญญาพละปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนประสาสความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิทยสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น น้ชื่อว่าอัญญาตาวินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยยากริตวิปากแห่งมรรคจิตดวงที่สองเป็นต้นจบโล ก, กุตระวิปากจิตจบ